เรื่องทรงห้ามการถือนิสัยภิกษุอลัชชีสมัยนั้นพวกภิกษุอยู่อาศัยพวกอลัชชีไม่นานนักแม้ภิกษุพวกนั้นก็กลายเป็นภิกษุอลัชชีเป็นภิกษุเลวทรามภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายไม่พึงอยู่อาศัยพวกภิกษุอลัชชีรูปใดอยู่ต้องอาบัติทุกกด สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายมีความดำริว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าไม่พึงให้นิสัยแก่พวกภิกษุอลัชีไม่พึงอยู่อาศัยพวกภิกษุอลัชีทำอย่างไรหนอพวกเราจึงจะรู้ว่าภิกษุเป็นลรัชีหรืออลัชีจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้รอ 4-5 วันพอจะรู้ว่าภิกษุผู้ให้นิสัยเป็น